คำว่าจะแนะนำกันเวรั้าสุดท้ายก็หมายความว่าจะแนะนำกั น, เ, น, ก น, น, กนตเต็มแบบฉบับจริงๆเอาไว้เป็นหลักสูตรในการปฏิบัติประจาสานักแลวก็สำหรับอย่างอื่นก็ถือว่าให้เป็นเกร็ดความรู้ในที่เรียกว่าเป็นเรื่องของพิชาสามัญญาหกปฏิสมิทายา น, นั่นก็จะไว้เป็นในคัตเศษสำหรับที่ จะออกให้การท่านนันหลายนารับฟังไปรับไปฟังกันเองแต่ว่าทําหรับด้วยมหาสติปัฏฐานสูตรนี้สอนแล้วก็บันทึกไว้ด้วยแล้วต่อไปก็จะให้รับฟังกันตลอดตลอดไปเพราะว่าหลักสูตรในมหาสติปัฏฐานสูตรแต่ละข้อแม้แต่แตานาปานบับ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยันนิพานหมดเป็นอันว่ารมอย่างเดียวถึงนิพานเลยไม่ต้องไปทํากันทั้งหมดทั้งสี่บาปสี่เบืบทางกํบาบัปเดียวถึงนิพานท่านสอนไว้อย่างนั้นจริงๆคราวนี้จริงะบอกว่าจะสอนมหาคติประธานาสูตรกันอย่างเต็มแบบฉบับจริงๆ แต่ถ้าเป็นนางสือก็เล่นเบเรนแน่แต่ผมไม่สนใจเรื่องสือผมสนใจเรื่องเสียงแต่ก่อนที่เราจะสอนแนะนํากันในเรื่องมหาคติประธานนสูตรก็อย่าเพิ่งเอามหาคติประธานสูตรมาว่ากันก่อนเมื่อคืนวานนี้ผมได้พูดถึงอิทธิบาทสี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 หรือไม่อยากจะได้ยินแล้วก็ไม่ต้องการจะได้ยินเมื่อได้ยินแล้วก็ไม่ทราบๆถือว่าเข้ามาอยู่ในสํานักนี้แล้วต้องทราบแล้วก็ปฏิบัติได้ถ้าท่านองค์ใดหรือท่านบนาุญใดเห็นว่าไม่สามารถก็รีบย้ายไปเสียก่อนเข้าพรรษามิฉะนั้นเมื่อเวลาเข้าพรรษาแล้วจะลําบาก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 เดือนหนึ่งค่าใช้จ่ายประจําอยู่ในเกณฑ์หมื่นหมื่นบาทเศษนี่มันใช้จ่ายกันเป็นภายในที่ว่าไม่เป็นมถุ ก, ก่อสร้างขึ้นมาแต่เงินจํานวนนี้ถ้าผมจะซื้อเอาเลี้ยงเอาคนชั่วเขาไวน้นี่ผมก็เสียดายเสีตังค์ของผมไอ้สียตังค์ก็ไม่ใช่เสียตางค์ของผมเสียตางค์ของชาวบ้านเขาช า, ชาวบ้านเขาให้มาด้วยบูชาพระพุทธเจ้า แต่ไดกว่าจะเอาคนชั่วเข้ามาเลี้ยงเข้าไวน้นี่มันก็เสียข้าวเสียของเสียเสถาภาษาธ่าของชาวบ้านเหมือนกับเอาปุ๋ยไปใส่ต้นขี้กาหนี่มันจะมีประโยชน์อะไรฉันขอท่านหลายจงมีความเข้าใจเช่นว่าที่นี่ไม่ต้องการปริมาณของคนไม่ว่าคนชั่วคนดีไม่รู้ฉันต้องการดังนั้นคอยคนมาก ที่นี่ไม่ต้องการคนมากต้องการแต่คนดีแต่คนดีมากพอใจถ้ามากแล้วชั่วไม่พอใจก็ไม่ต้องการ <c oughs> เดี๋ยวก็จะหาว่าสนับสนุนให้คนให้ชั่วขพทุกท่านรู้ตัวไว้ด้วยนี่ก่อนที่เราจะพูดกันถึงสมมาหาสติปัฏฐานสูตร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 ถ้าหาคนปฏิบัติไม่ได้เลยทั้งหมดผมอยู่คน อ, องค์เดียวสบายอยู่คนเดียวมีความสุขว่าคนดีอยู่มากผมชอบใจผมก็มีความสุขถ้าคนเลวอยู่แม้แต่คนเดียวผมก็มีความทุกข์ผมไม่ต้องการเป็นอันว่าบา ร, รมีสิบราการนี้ต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่างอย่าถือว่าเพื่อบชใหม่นะ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 คือว่าทำกำลังใจให้เต็มจำให้ดีนะมีสิบอย่างคือหนึ่งทานการให้เรามีอารมณ์อยู่เสมอว่าเราเจะสงเคราะห์คนแลสัตว์อื่นให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้ถ้าเราสามารถจะสงเคราะห์ได้ด้วยวัตถุแล้วก็ให้ด้วยวัตถุ ถ้าเราไม่มีวัตถุเราก็จะสงเคราะห์ด้วยกำลังทางกายเขาช่วยเหลือถ้าไม่สามารถจะสงเคราะห์ในกำลังทางกายได้เราก็จะสงเคราะห์ด้วยปัญญาตอนนี้สำหรับการให้เราเต็มใจอยู่เสมอเพื่อการให้นี่มันตัดการสะสม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 เท่านี้จิตมันก็ไม่ติดในลาภสกสาระนี่ต้องทำอารมณ์ให้เต็มสองศีลและบา ร, รมีก็หมายความว่ามีกำลังใจรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ศีลมีกี่สิกขาบทเขาอ่านให้ฟังกันเขาพูดให้ฟังกันทุกเย็นทำลับํำรามี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 สำหรับทานก็ได้กระจาคานุสติกรรมฐานนึกถึงการให้ทานการสงเคราะห์อยู่เสมอใครคนในสิ่งก็ตนระมัดระวังสิลให้บริสุทธิ์ให้มีกำลังใจเต็มอยู่เสมอไม่ท้อถอยข้อต่อไปเรียกว่าเนคขมบารมีเนคขมแปละว่าการถือบวชคำว่าบวชในที่นี้ต้องหมายถึงว่าบวชใจ ให้บวชกายภายนอกเนี่ยเพียงแค่โคนหัวผมผาเหลืองเขายังไม่ถือว่าเป็นการบวช ด, ดีไม่ดีก็ลงมีสภาพเลวกว่าชาว บ, บ้านเขาก็มีนักบวชนะศัก์แต่ว่าบวชเข้ามาเท่านั้นไม่ประพฤติพระธรรมระวีในนีเนคมะบรมีตัวนี้ก็ได้แก่การระงับจิตให้ชนะนิวรนห้าอยู่เสมอ คือหนึ่งเราจะไม่มัวเมาในกามฉันทะคือไม่เมาในรูปสวยในเสียงเพราะในกลิ่นหอมในรสอร่อยในการสัมผัสระหว่างเพศเป็นอันว่าขอ้อนี้เราจะต้องใช้กายกตานุสติกาสุปกรรมฐานเข้าป ร, ประหารประหารไว้เป็นปกติแล้วก็เราจะต้องระ ง, งับความโกรธความเจบ็บปวด ความโกรธความชับ่วบาที่จะต้องไม่มีในจิตของเราืาอเอินมันจะมีก็ระงับเส้นโดยเร็วอย่าให้มันไหลมาทางวาจาหรือว่าไหลมาทางกายวิธีระงับกิเลสตัวนี้ก็ได้แก่การเจริญพรมวิหารสีหรือว่าวันณนะกะสินสีด้่ก็คสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว อันนี้ขอท่านหลายต้องมีกำลังใจเข้มข้นให้เต็มอยู่เสมอการอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเข้ากันไม่ได้ในเมขาดตัวนี้หรือว่าขาดบา ร, รมีก็ไม่ควรจะมีผ้ากาสาวพัดอยู่ไม่ควรจะอยู่ในร่มเงาของกาสาวพัด ในเมื่อเรบวกเข้ามาเป็นสาสัขยบทุทธตจีนรสถมีศีลบริสุทธิ์ถ้ามีเป็นศีลปฏิสีนมีอิทิบาทสีมีบารมีครบอยู่กันยังไงก็อยู่ได้ไอ้ที่บอกว่ารวมกับใครไม่ได้เขาแสแดงว่าความเลวมันมากไม่ได้มีสภาวะคืออารมณ์เป็นพระอยู่เลย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 ว่าอย่างโนว่าอย่าง ง, าางี้แต่คุณธรรมที่ดีจริงๆเบื้องต้นไม่ทำไม่มีครบจะทำไปกี่โกรธปีมันก็ไม่ได้อะไรมีแต่ความเลวนี่มามาปัญญาบา ร, รมีเพื่อต้องมีปัญญามีกำลังใจทรงปัญญาให้เต็มปัญญานี่รู้อะไรมันดีรู้อะไรมันชั่วต้องใช้ปัญญา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 มีอยู่แล้วถ้าอารมณ์ชั่วอย่างใด น, นังไหนไม่เกิดใช้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งที่มีคู่ปรับกันดูตัวอย่างในจริตถกถ้าอารมณ์ความชั่วเกิดกับราคะจริตรักสวยรักงามก็ใช้กายยัคตานุสติหนึ่งอาศุปกรรมฐานสิบเข้าประหัตประหารทันทีถ้ามันมีอารมณ์หนักบนในโทโหสถจริต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 แต่อนุสติหกคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติถ้ามีอารมณ์ผ่องใสฉลาดเราก็ใช้มรณานุสติกมรฐานอาหารไรบุตรูโคดสัญญาจตุธาบุตรสีอุปสมานุสติกมรฐานนี่อารมณ์ชั่วที่เราจะรู้ตัวจะพึงแก้เนี่ยเขามีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นที่มันบอกกันว่าไม่รู้ไม่ได้ใช้กำลังใจก็ต่อสู้กับมันความชั่วอย่าคบมันไว้นี่มาได้ขคันติบารมีความอดทนความอดกลั้นในขณะที่มันจะต้องต่อสู้กับลมชั่วแต่ลมชั่วมันมีอยู่แล้วในการก่อนต่อมารมชั่วมันเข้ามาขัดขวางความดีของเราก็ต้องใช้คันติความอดทน ไม่ท้อแท้ไม่พ่อแป่ไม่เป็นคนที่ไร้กำลังขอากำลังใจมาสจัจธรรมมีระจะถืิความจริงใจไว้เสมอว่านิพพานัสสะสติกิริยายะเอตังกาสาวังกเหติตวาเรารับภากาสาวะพัดเพื่อทำให้แจ้งสิ่งปิพนันตัวนี้จะต้องเอาจริงเอาจังกับมันอยู่เสมอ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 โดยการมีพุทธานุสติกรรมฐานธรร ม, มานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานเป็นประจำใจเพื่อป้องกันความทุกข์ในวันหน้าและเราต้องการปันผิดอบายภูมิสีเบการคือนรกเปตสุรกายเศรษฐศาสตร์ฌานไม่มีกับเราเราจะไม่ไปแดนนั้นด้วยการรักษาสิ่นวริสุทธิ์ตั้งใจอธิษฐานเขไว้ให้อัศรมนี้มาส่งตัว อารมณ์นี้ได้แล้วก็ก้าวไปสู่เป็นพระอนาคามีเลยสักิธาคามีไม่ต้องพูดกันอ น, นาคามีก็รวบรวมกำลังใจในกายยกตานุสติราสุภกรรมฐานคู่กับปัญญามาประหัรประหารกรมมาชันทะาให้พีนนาดไปจากจิตไม่ใช่ระงับนี่ธรรมาบารมีนี่ระงับนี่ทำลายให้พีนาดไป แล้วทำลายกำลังใจที่มีปฏิฆะที่มีอารมณ์ขัดข้องให้มันหมดไปด้วยอำนาจของโรงมาวิหารสี่หรือกสินสี่คู่กับปัญญานี่อธิษฐานะบา ร, รมีต้องตั้งจุดไว้อย่างนี้ว่าเป็นประสนาบันแล้วเราจะเป็นอนาคามีเลยเพราะสกิทาคา ม, มีก็มีกำลังเท่าๆกันแต่ยอดมันชูงกว่ากันนิดหน่อย หรือไม่เช่นนั้นก็ต่างใจมุ่งหวังว่าเราจะเอาอรหตัตผลอันนี้ไม่ยากระว่าการพิจารณาคือทำลายลกิเลสคือสังโยชน์ทั้งสิบประการเราทำละข้อเดียวคือข้อสกายาทิฐิด้วยการพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรา จงทั้งอารมณ์จิตรเราไม่เกาะ อ, อยู่ในขั้นห้าเราก็เป็นพระอารหาันต์อดิฐานบารมีต้องตั้งมั่นไว้อย่างเลวที่สุดคุมอารมณ์ไม่ว่าเราจะต้องทรงความเป็นประสูติดาวันให้ได้ถ้าบาังเอิญมันยังไม่ได้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อประสดาบันก็ยังมีความดีอยู่มาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราจะเทีเยงที่าน แล้วขอบเขคของพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นนี่เมตตาบาร ม, มีอารมณ์ความรักตัวนี้มีความสำคัญมากความรักนี่กะหมายว่าความว่าเราจะรักคนคนดีเราจะรักสัตว์คนดีคนอื่นก็ตามตัวเราเองก็ตามสัตว์เองก็ตามเราจะมีความเห็นอกเห็นใจมีความรักสม่าเสมอกัน ถือว่าเขากับเรานี่มีสภาวะเท่ากันมีความปรารถนาเสมอกันรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันเขาไม่ต้องเราไม่ต้องการศัตรูชั้นใดคนอื่นและสัตว์อื่นก็ไม่ต้องการศัตรูเช้นนั้นเมื่อเราไม่ต้องการศัตรูเราก็ไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับบุคคลอื่น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 จะเป็นเมตตาบารมีสมบูรณ์นี้ต้องจําไว้แล้วก็นึกไว้แล้วก็ทรงไว้ในใจเสมอๆนี่ก็ทําด้วยมาอบารมีสุดท้ายที่เรียกว่าอุเบกขาบารมีคมือวางเฉยเฉยตัวนี้ไม่ใช่เฉ ย, ยแบบแบบไห น, นอุเบกขาตน้นเขามีหานสี่เฉยตัวนี้ได้แก่สังขารุเบกขาญัน คือเฉยในขันห้าว่าเฉยในกฎของกรรมต่างๆเฉยในโลกธรรมคือว่าไม่หวั่นไหวในโลกธรรมไม่ติดนลาบยศสนเสริญสุขไม่เร่าร้อนมันลาบเสื่อมไปยศเสริญไปนินทาแล้วก็ทุกเกิดขึ้นมีอารมณ์สบายถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา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 ถ้ายังไม่ถึงประโศดาบันอะไรสำหรับคืนนี้การแนะนำกันก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่า น, นี้ขอให้ท่านหลายเป็นนั่งทบทวนด้วยกำลังใจไว้ที่บาทสี่มีอะไรบารมีสิบมีอะไรอันนี้ต้องทบทวนทุกวันตื่นขึ้นมาเช้าเรียมตาใหม่ห่ทบทวนทบารมีสิบประการใที่บาทสี่ว่าราบกตรองอะไรบ้าง วันทั้งวันเราต้องไม่ลืมอิทธิบาทสีแล้วก็บรารมีสิบเวลาจะนอนใกล้จะหลับก็พิจารณาใหม่ว่าอธิบาทสี่บรารมีสิบนี้เรา บ, บกพร่องข้อไหนบ้างถ้าบกพ่องก็รีบแก่เสียถ้าเราสำหรับวันนี้เวลาก็เกินแล้วต่อจานี้ไปข้ามดาศาวัคคุองสมเด็จพระบพิีแก้ว จงพากันใช้เวลาของท่านให้เป็นประโยชน์ในการใครค่คนในบทพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระชินนวรสัมมาสัาส ม, าสมพุทธเจ้าพอสมควรแก่เวลาที่ท่านต้องการสวัสดี